พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14บพระสูตรที่49สลายะตนะวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการแจกอายตนะหกพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนารามทรงแสดงธรรมชื่อว่ามหาสลายตานิกะคือธรรมะที่เกี่ยวด้วยอายตนะหกอย่างพิสดารโดยทรงแสดงว่าเมื่อไม่รู้ไม่เห็นธรรมะหกหมวด ดังที่ส่งแสดงในฉาชักกสูตรตามเป็นจริงความลำบากเดือดร้อนกระวนกระวายทั้งทางกายและทางจิตก็จะเจริญขึ้นผู้ไม่รู้นั้นยอมได้สวยทั้งทุกกายทุกใจแล้วส่งแสดงให้เห็นว่าถ้ารู้เห็นตามเป็นจริงไม่กำหนัดยินดีก็จะชื่อว่าธรรมมัสมีองแปดให้สมบูรณ์ เมื่อทาได้อย่างนั้นก็จะชื่อว่าทำธรรมะอื่นให้บริบูรณ์ด้วยสำหรับธรรมะอื่นนี้หมายถึงในโพธิปักิยธรรมครั้นแล้วทรงแสดงธรรมะที่เทียมคู่คือสมถะหรือการทาใจให้สงบและวิปัสสนาคือการทำปัญญาให้เห็นแจ้ง และแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้คือขันห้าธรรมะที่ควรละคืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจสี่และภวะตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ธรรมะที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสนาธรรมะที่ควรทำให้แจ้งคือวิชชาความรู้อริยสัจสี่และวิมุตติความหลุดพ้น รัตรัยปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ส4ระสูตรที่ห0สนครวินเทยสูตรสูตรว่าด้วยพรามรหมคฤรหบดีชาวบ้านนครวินทะพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จแวะพักณหมู่บ้านพราหมแคว้นโกศลชื่อนครวินทะ ตรัสแสดงธรรมแก่พราามขรคฤหบดีเหล่านั้นผู้มาเฝ้าว่าถ้านักบวชลทัทธิอื่นถามท่านว่าสมณพราหมณ์เช่นไรไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาก็พึงตอบว่าได้แก่สมณพราหมณ์พวกที่ยังไม่ปราศจากราคะความกำหนัดยินดีโทสะความคิดประทุสร้ายโมหะความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสปวทพะ คือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายและธรรมะสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจมีจิตยังไม่สงบระงับในภายในอย่างประพฤติเสมอบ้างไม่เสมอบ้างคือลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายวาจาใจทั้งนี้เพราะพวกเราเองที่เป็นเขาฤหษีก็มีความประพฤติเช่นนั้นเมื่อไม่เห็นความประพฤติสม่ำเสมอคือเรียบร้อยหรือคุณธรรม ที่ยิ่งขึ้นไปของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นถ้านักบวชลทัทธิอื่นจะพึงถามถึงสมณะพราหมณ์ที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาก็พึงทราบโดยนตรงกันข้ามคือที่ปราศจากราคะโทสะโมหะ ครั้นแล้วตรัสต่อไปถึงการที่นักบวชลัทธิที่อื่นจะพึงถามถึงอาการและความเป็นไปของสมณพปรามที่พวกท่านกล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากราคะปฏิบัติเพื่อนาออกซึ่งราคะปราศจากโทสะปฏิบัติเพื่อนำออกซึ่งโทสะปราศจากโมหะปฏิบัติเพื่อนาออกซึ่งโมหะพวกท่านพึงตอบว่าสมณพรามเหล่านั้น เสพเสนาสนะป่าอันสงัดไม่มีรูปเสียงเป็นต้นที่เห็นแล้วฟังแล้วเป็นต้นจะทำให้ยินดียิ่งพรามข้เรือหาบดีชาวบ้านนครวินทะกราบทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต